คุทวดสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับสรนนีสนทนาที่ดิฉันสันนียนนาพงศ์จะสนทนาธรรมกับพระพบูลุญอภิปุโนทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอรายการสรนนีสนทนาซึ่งในส่วนของการสนทนาดิฉันกับท่านเนี่ยก็จะมี2วันต่อสัปดาห์พระอาสวัสดีกับวันศุกร์ค่ะวันนี้เป็นวันมหามงคลของคนไทยทั้งชาติวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราคนไทยก็ต้องไปกราบน้อมสักการท่านไผบูรนอภิปุโนกันก่อนนะคะนมักการกับท่านคะเจ้าบอลค่ะที่อุดอรก็คงคึกคักสำหรับบรรยากาศของการเฉลิมพระชนม์พรษาสิคาท่านคะ่ะใช่ก็เจ้าอุดรก็คือเหมือนกับทุกคนทั่วประเทศเลยลก็ะจะมีกิจกรรมกันที่วัดนี่เราก็มีจัดกิจกรรมเป็นการสวดมนต์เป็นการปฏิบัติธรรมในบูชา ในวันเฉลิมพระชนมพรษานี้ด้วยสําหรับวันนี้ที่ว่าสวดมนต์บทสวดมนต์นี่จะเป็นบทพิเศษอย่างไรกันคอบทที่เร า, เามาสวดนั่นก็เป็นธรรมจักรกับปวตนะสูตรแล้วก็บทอิทธิพิโสในที่มีการสวดแปลค่ะสวดทั้งภาษาไทยภาษาบาลีด้วยภาษาไทยด้วยค่ะเพราะเหตุใดจึงเป็นสองบทนี้คะ เ, เพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นการทบทวนคําสอนของพระพุทธเจ้านะ เป็นเรื่องของอริยสัจสี่ 4. แต่จริงๆบทสวดธรรมกกบัจจการประวัตินาสูตรเนี่ยเป็นบทที่ใช้ได้ในทุกๆโอกาสอยู่แล้วเรามาทบทวนตรงนี้ก็คือทําให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่ดีพอจิตใจทําความดีแล้วก็เหมือนเป็นการบูชาในหลวงไปด้วยอเคค่ะชาวพุทธถือกันเช่นนั้นเป็นการทบทวนในสิ่งที่พระพุทธองได้ตรัสรู้เรื่องสําคัญที่สุดของการได้เป็นพระพุทธเจ้าถูกไหมคะใช่คือทั้งหมดมันจะรวมอยู่ที่นี่เลยอริยสัจสี 4. และอิตธิปิสโสก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ใช่คือสวาขาโตสุปฏิปนโน ด, ด้วยนะคะก็จะสวดกันที่บ้านก็ได้เพราะฉันก็เชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะที่สวดมนต์บทธรรมจักได้อันนี้เราก็สวดแปลด้วยบาตังบาลีด้วยบาตังไทยด้วยงั้นถ้าจะให้ท่านสรุปความสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักว่า เอ้ยยังไงถ้าอาริยศาสตร์สีก็รู้แต่ว่าทุกสมุทัยนีโรมุมากค่ะมีมากกว่านี้ไหมคะสำหรับธรรมจักค่ะในเรื่องของธรรมจักกับปัฏฐนสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้ปัญจกวกัคคีย์ฟังนะที่ป่าอีสิปตัตนาเมรุกัทยาวันแตก่อนที่จะเริ่มถึงเรื่องอริยศสตร์เนี่ยพระพุทธเจ้าได้พูดถึงสุดตรงสุดตรงสองข้างก็คือทางที่มันปฏิบัติไปแล้วมันจะตันแต่คือการที่ประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยกาม แต่ก็เรียกว่าการปรสุขต่างๆอันนี้คือตันทางที่1ตันทางที่2ก็คือการทรมานตัวเองให้ลําบากประปรายอันนี้ก็ตันทางที่สองแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของทางสายกลางนั่นคือทางที่มันจะทําให้ไปถึงความรู้ยิ่งรู้พรอมนิพานได้ก็คืออริยมรรคมืมองแปดแล้วก็เริ่มอธิบายเรื่องของทุก์สมุทัยนิโรธมรรคการรู้แต่ละอย่างก็ต้องรู้สามรอบรอบในแต่ละจิตในแต่ละอริยสัตว์ก็แตกต่างกันด้วยนะคะก็คือว่าวิธีการ การดของพระพุทธองค์เนี่ยให้เห็นก่อนว่าที่ทํากันไม่ถูกทําอย่างไรใช่สรุปแล้วถูกแล้วเป็นอย่างไรอถูกแล้วก็จะสรุปไปถึงว่านี่แหละตรัสรู้เห็นสิ่งที่ถูกใช่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรัสรู้เห็นทั้งหมดคือกระบวนการของความทุกข์เหตุแห่งการเกิดทุกข์การดับทุกข์แล้วก็วิธีดับทุกข์แล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยจะต้องทํำยังไงกับมันาเช่นเหตุของความทุกข์อันนี้เราต้องละเสีย <C> e <an> <S <S ในขณะที่เรื่องของม <Mark> ักอรนี่จะต้องทําให้มักค่ะนะคะและที่สําคัญที่สุดบางคนเนี่ยไม่อยากรู้จักความทุกข์แต่พระพุทธองค์บอกให้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ถูกไหมคะใช่ <S <S <S เป็นสิ่งที่ต้องรอบรู้ต้องทําความเข้า<อ>ใจให้มา <S <S นะคะอ่าหนีไม่ได้แล้วถ้าคิดว่าชีวิตจะพ้นจากความทุกข์ต้องรอบรู้ความทุกข์ก่อนถูกต้ตองนั้นถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะนี่ก็พูดหัวหัให้ฟังแล้วกันกับความสําคัญของพระพุทธเจ้ากับ พระธรรมที่ท่านตรัสรู้กับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรใช่ทีนี้ท่านคะดิฉันเองพูดเรื่องทันสมัยได้ไหมคะเนี่ยคือในโซเชียลเน็ตเวิร์ช่วงนี้ก็โอ้ยเต็มไปด้วยการที่ต่างคนต่างจะแสดงความจงรักภักดีความศรัทธาในพระเจ้าอยู่หัวออกมาจานวนมากเลยนะคะดูเพลินเลยจะมีทั้งที่เป็นภาพในอดีตภาพที่ประทับใจ ทั้งภาพวาดภาพถ่ายมีทั้งข้อความในลักษณะต่างๆอันนี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่แต่ทีนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค่ะท่านคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเรื่องราวที่บางครั้งเนี่ยผ่านไปไม่เกินกี่นาทีเลยเผยแพร่ไปทั่วปรากฏว่าเป็นเท็จอ่าใช่หรือบางทีไม่รู้อ่กะก็จมอยู่กับความเท็จอย่างนั้นไปเรื่อยๆค่ะหรือบางทีบางข่าวเนี่ยไม่ได้รับการตรวจสอบ นะไม่มีข้อที่จริงส่งกันมาแล้วก็ส่งกันไปก็เป็นเรื่องใหม่ไปอี ก, กข อ, ขอ<ด>ให้หคุณพระช่วยเลยค่ะจะช่วยได้ยังไงก็ได้ค่ะ ใ, ใ, ในในยุคสังคมเครือข่ายที่เขาเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์มันตั้งแต่มามีอินเทอร์เน็ตแล้วนะคุณโยมติวแล้วพอมามีมือถืออะไรพวกนี้ก็เลยยิ่งแพร่กระจายกันไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีกตรงนี้อันหนึ่งก็คือว่าการแพร่ข่าวสารที่ดีก็เป็นไปได้นะก็อย่างที่เรารับรู้รับทราบกัน ในขณะเดียวกันเรารับรู้ข่าวนี่มากเกินไปบางทีจิตใจเราก็ฟุ้งซ่านด้วยซ้ําแถมข่าวบางข่าวก็เป็นข่าวที่ไม่ดีอีกเราอ่านรับมามันก็ปวดหัวเรารเพราะฉะนั้นในทางธรรมะเนี่ยเราจะใช้ธรรมะเนี่ยที่จะป้องกันตรงจุดนี้ได้อย่างไรแต่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าอันดับแรกพวกนี้เป็นภาษะเวลามีภาษามากระทบแล้วเนี่ยบางทีมันมีกิเลสเกิดขึ้นได้แต่บางที้มีภาษามากระทบแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นได้มีภาษามากระทบแล้วบางทีก็มีกรรมเกิดขึ้นได้ เราเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นกรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบเนี่ยเราจะควบคุมอย่างไรให้จิตของเรายัางตั้งอยู่ในธรรมได้ ใ, ในวิธีการก็คือพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับ เ, เป็นนายทวาร น, นะเป็นเป็นตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งที่มีประตูเมืองอยู่ประตูเมือง น, นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ประตูเมือง น, นี้ก็จะต้องมีนายทวารที่คอยรักษาประตูนายทวารที่จะคอยรักษาประตูก็คือการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจดหมายแต่เขียนจดหมายมาหรือจะเป็นข้อความทางโทรศัพท์มือถือเป็นอีเมลได้ทั้งสิ้นอันนี้ถือว่ามันผ่านประตูมานายทวารเนี่ยต้องเป็นคนฉลาดนายทวารในที่นี้ก็คือสตินั่นเองสติต้องเป็นผู้ที่รู้จักสิ่งที่เป็นกุศลรู้จากสิ่งที่เป็นอกุศลห้ามสิ่งที่เป็นอกุศลเข้าให้สิ่งที่เป็นกุศลเข้าอันนี้สติจึงเป็นเรื่องสําคัญแต่ที่นี้ถ้าเบอกว่าสติเราไม่ฉลาดพอเราไม่ทันะ พอสติเราไม่ทันข่าวอะไรมาเราก็รับหมดรับหมดดีกว่ามีไม่ดีก็มีจิตใจเราก็ขึ้นๆลงๆตามข่าวที่มากระทบแสดงว่าอันนี้เราต้องฝึกสติของเราสักก่อนนะฝึกสติสักก่อนพระราก็จึงแนะนําวิธีการฝึกสติว่าอังคุนไปหลีกเร้นนะคนที่จะเจริญสติปัฏฐาน4ีได้หนึ่งต้องไม่คุยฟุง้ง 2. จะต้องอยู่เสนาสนะอันสงังหารสจะต้องไม่ยินดีในการคลุกคลีกันไปหมู่มู4นะจะต้องรับประทานาธิบพอสมควรนะรูปประมาณในการบริโภค และห้าผู้ที่อยู่เซนาสนาป่าไปต้นเลยนะจะมีอยู่ห้าหกอย่างที่จะเป็นตัวสนับสนุนให้สติของเราเนี่ยมีกำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะขัดกันนิดหนึ่งคุณช ม, มติว่าอา้าวแล้วทั้งนี้เราจะไปอยู่ลนกรรเช่นอย่างเงี้ยปิดโทรศัพท์ไม่รับข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะฝึกสติเอางี้ข่าวเราก็ไม่ได้รับทราบอ่ะสิใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อที่ขัดแย้งกันแต่ประเด็มันคือตรงนี้ว่าถ้าสมมุติเรารับแล้วจิตใจเราแตกเนี่ยมันมันก็ไม่ดีนะ สู้ไม่รับเนี่ยจะดีกว่าค่ะอันนี้จึงเป็นประเด็นที่ว่างั้นเราก็ไม่ต้องรับในช่วงที่เราไม่รับข่าวสารเราก็ฝึกสติให้มันดีใ น, นเวลาที่มันมีข่าวสารใดมาเราถึงจะรับพร้อมที่จะรับข่าวสารนั้นๆได้นะค่ะก็ะสรุปแล้วก็คือเราจําเป็นต้องอยู่กับเขาโลกมันเป็นแบบนี้แต่เราต้องรู้วิธีที่จะอยู่ด้วยวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องหานายประตูที่ดีใ<ช>่คือต้องฝึกจนสติของเรา เป็นนายประตูที่จะเลือกแต่ดีของไม่ดีกำจัดทิ้งไปถูกต้องแต่ที่สำคัญต้องไปฝึกโดยการหลีกเลนซึ่งหลีกเลนของท่านเนี่ยนะคะที่ฉันอยากจะให้ลงรายละเอียดตรงนี้เพราะว่ายิ่งเข้าใจว่าคนในสังคมใช้ชีวิตทุกๆวันยิ่งอยู่ในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์มันจะทำให้มีการมาพบการหลังจากที่ห่างหายกันไปนานแล้วก็เกิดปรากฏการ์ราว่าก็ต้องเจอตัวจริงกันด้วย ต้องสั่งสารกันสังสารสั่งสารสั่งสารอันนี้เป็นเรื่องที่ดีในแง่โลกนะคะคนก็บอกว่าชีวิตหลังเกษียณแล้วมีเพื่อนดีที่สุดนะต้องอ่าไม่ใช้ชีวิตช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเสียโอกาสในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะอออืมในในทางธรรมะก่อนเราเราเราพิจารณาเรื่องนี้ว่ายังไงคืออันนี้มีความสุขแน่นอนเราไม่เถียงพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความสุขในเรื่องที่คุณไปกินดื่มคบเพื่อนอะไรอย่างนี้ อันนี้ถือว่ามีความสุขอยู่ถูกต้องนะพระพุทธเจาไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีความสุขมีความสุขแน่นอนแต่ว่าบอกว่ามันมีความสุขที่เหนือกว่านี้มีความสุขอะไรที่มันเหนือกว่าละเอียดกว่าประณีกว่าลึกซึ้งกว่าระงับกว่ามีไหมคําตอบคือมีแทําได้ไหมได้วิธีการทํายังไงก็เริ่มแต่เรื่องของศีลแต่ถ้าคุณไปกินดื่มเที่ยวเล่นก็ให้อยู่ในศีลเราจะทำไงให้ดีขึ้นเอาก็ทําจิตให้เป็นสมาธินะมีปัญญาไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไป แต่คือเราเห็นระดับไหนเราก็ทําระดับนั้นค่ะแต่ทีนี้ถ้าบอว่าเราจะต้องยังไม่เห็นน่ะเพราะว่าจิตของคนที่ถ้ายังไม่ได้ฝึกนะคุณยมติยวเขาจะน้อมไปอยู่เรื่อยตื่นเช้ามาไม่พอหานาทีหรอเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์มือถือดูก่อนแต่เดี๋ยวไปห้องน้ำเดี๋ยวก็ต้องดูมือถือละเดี๋ยวออกมาข้างนอกลงจากรถมันมีใครส่งข้อความมาได้เก็ต้องมาคอยดูคอยดูคอยเช็คอยู่เรื่อยนะจิตมันเหมือนจะน้อมไปน้อมไปในทางนี้อยู่เรื่อยคอันนี้คือประเด็นที่ว่าเอ้เราจะทวนกระแสตรงนี้ได้อย่างไร ทำไม<ต>จึงเป็นเช่นนั้นก็ทําไมมันถึงน้อมไปอยู่เรือ่อยเพราะว่าจิตของเราตรึตรกในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนี่นมันเป็นกระแสของโลกเรียกว่ากระแสของตัณหาแต่มันจะถูกจิตของเราเนี่ยจะถูกท่วมทับถูกถกระแสเนี่ยพัดไปพัดไปเพราะว<ช>่า <ๆ S 2> ชาติเปรีเทียบอย่างนี้เหมือนกับว่าคนที่ว่ายน้ําตามกระแสเนี่ยด้วยเหตุแห่งความเพลิดเพลินใจนะแต่ว่ายืนอยู่บนฝั่งมีคนยืนอยู่บนฝั่งบอกว่าคุณคุณคุ ณ, คณว่ายน้าตามกระแสไปเนี่ย แต่ว่าตรงกลายน้ําตรงนู้นมันจะมีตัวอสูรกายนะแล้วก็มีน้ําวนมีน้ําตกมีคลื่นและมีอสารพิษอะไรต่างๆคุณไปถึงนั่นคุณตายแน่นอนให้คนที่ว่ายน้ําเพลิดเพลินใจอยู่เนี่ก็เลยรีบว่ายทวนกระแสหรือว่ายตัดกระแสเข้าสู่ฝั่งเพื่อที่จะหนีไอ้กระแสตรงเนี้ยคือเปรียบเทียบเหมือนกับกระแสของตันหานั่นเองแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในกระแสของตันหากระแสของปัสสาะนะเขาบอกโฆษณชมาคุณต้องซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ต่อแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ นี่คือกระแสของตัณหามันมันพัดมาถ้าเราตามกระแสไปเรื่อยๆนะจิตใจก็จะลงต่ำลงต่ำเรื่อยๆแดีวมันก็จะชักชวนให้มีการผิดศีลน่ละผิดศีลบ่อยๆขึ้นก็เป็นนรกได้เดี๋ยว น, นี้จึงต้องระวังเพราะฉะนั้นทำไงก็ต้องทวนกระแสะแต่ทีนี้จะทวนกระแสได้ไงเพราะจิตใจเรามันโน้มเอียงไปทางนั้นอยู่ๆๆๆๆๆเรื่อยๆค่ะว่าพุทธเจ้าเคยยกวอมาอยา ง, งี้คุณโยมตีว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะพอเวลาที่ใบมันเหลืองแล้วเนี่ย ต้ไม้ใบเขียวๆเนี่ยนะพอพอมันขาดน้ํำสักระยะหนึ่งใบมันเหลืองแล้วมันจะหลุดออกจากขั้วของมันพอหลุดออกจากขั้วของมันแล้วเนี่ยเอาไปต่อยังไงเนี่ยมันไม่ติดมันไม่ติดหรือเปรียบเหมือนกับหลักสีลาหลักหนึ่งนะหักกันแล้วหินมันหักแตกออกจากกันเนี่ยเอาไปต่อไปจิ้มมันยังไงเนี่ยคุณทาปูนอะไรมันก็จะไม่ติดกันนี่คือลักษณะของจิตถ้าเผื่อว่าจิตของเราเนี่ยได้ลิ้มรสรับความสุขที่เกิดจากในภายในแล้ว นั้นจิตจะน้อมไปในความสุขนั้นจะไม่ได้น้อมไปหาสิ่งที่เป็นในเรืทางการค่ะเนะทีนี้ถ้าเราไม่เคยได้รับความสุขเช่นนั้นเลยเนี่ยเราจึงจะไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปในทางที่มันดีที่เป็นความสงบระงับได้ค่ะเตรงนี้อาจามาก็จึงแนะนําว่านั้นคุณมาหลีกเล่นสิคุณมาลองหลีกเล่นดูให้เห็นความสุขที่เกิดจากในภายในแม้สักครั้งหนึ่ง แ, แม้สักครั้งหนึ่ง <c oughs> มันก็จะค่อยๆละไอ้สิ่งที่เป็นทางการตรงนั้นไปได้ไงค่ะเธอบอกว่า จะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกลายเลิกยาเสพติดไปเข้าคอสลเลกเรนนี่มีโอกาสหรื อ, อยังไงคะอ่าถูกต้องเพราะว่าเราจะห่างจากตรงนั้นสักระยะหนึ่งพอเราห่างจากตรงนั้นสักระยะหนึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมดูแลนั้นมีการฟังทำอยู่เรื่อยๆมีการสอนการปฏิบัติเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราได้สมาธิ ต, ตรงจุดนั้นเราได้รับความสุขที่เกิดจากในใจแล้วเนี่ยนะคุณสามารถชั่งน้ำหนักได้ทันที นะ ว, ว่าอันไหนมันดีกว่าประเสริฐกว่าละเอียดกว่าประนีกว่าค่ ะ, ะนั้นแล้วเราค่อยตัดสินใจค่ะอืดังนั้นดิฉันขออนุญาตให้ท่านทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งในเมื่อสักครู่ที่ท่านได้กล่าวถึงว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอุปสรรคจากการที่เราจะเข้าไปสู่กระแสที่ท่านบอกว่าไม่คุยฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ, อืมใช่อ่าดับแรกอ่าดับแรกก็คือว่าการที่เราจะมายินดีในความสุขที่เกิดจากความสงบได้ แต่นะคืออันนี้นมาหมายความว่าถ้าคนที่เขาฝึกดีแล้วเขาจะรับข่าวสารข้อมูลก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าตัวเรารับข่าวสารข้อมูลแล้วยังรู้สึกขึ้น ข, นขนลงล ง, ลงไปตามกระแสแสดงว่าคุณยังต้องฝึกจิตใจของคุณอยู่แนะวิธีการฝึกก็ต้องระ ง, งับไอ้พวกนี้ก่อนนะหยุดระ ง, งับไอ้พวกสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องกวนเครื่องข้องนะให้มายินดีในการหลีกเล้นยินดีในการไม่คลุกคลีกันยินดีในความสงัดเงียบนะอยู่เสนาสนาปานะป่ามีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ แล้วก็รู้ประมาณในการบริโภค <ator> หนึง่งหนึนะ่งะอ่ะไล่กลับไปก่อนรู้ประมาณในการบริโภค <ator> อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่2อยู่เซนสนาาะอันสงัดข้อที่สยินดีในความสงัดเงียบข้อที่4ี่ไม่ยินดีในการคลุกคลีกันไม่ยินดีในการคลุกคลีกันสงัดเงียบก็อันนึงบางคนสงัดเงียบอยู่ในที่เงียบๆกลับไปคลุก ค, คลีกันไปคุยคนนั้นคนนี้อ่ะมันก็ไม่ใช่ละข้อที่4จึงยินดีในการสงัดเงียบนข้อที่5ก็เป็นผู้ที่ สังสมสุตตะทรงสุตตะเนี่ยก็คือฟังทำอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ที่หกนั่นก็เป็นผู้ที่ไม่คุยฟุ้งค่ะค่ะ อ, อคุยฟุงแบบเม้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางคนก็พูดคนเดียวนะโอ่ะ <laughs> อยู่วัดบางทีมาวัดไม่มีใครคุยด้วยก็คุยกับต้นไม้คุยกับหมาก็มี อ, มอะไรเงี้ยพรแปลงก็ต้องหยุดตรงในการคุยฟุงตัวนี้ค่ะแต่ฉันก็ชักจะเริ่มแลเหมือนกันนะคะบางทีเอ๊ะเผลอตัวทําไมลราพูดคนเดียว <laughs> อนี่ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ถ้าคุยฟงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่พบกันทั่วๆไปบางที่คุยแล้วมันสนุกกันนะคะใ่ไ<ๆ>มันก็ไปเรื่อยไปเรื่องใหม่เรื่อยค่ะแล้วก็การที่อจะรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยออันนี้ก็เป็นเรื่องที่โลกๆเหมือนกันเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยชีวิตแสวงหาแต่ของกินอร่อยเลยนะคะโอ้ยแตมานี่เป็นสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เลยล่ะตื <c oughs> ่นช้ามาก็จับจับปากกันวันนี้จะไปกินอะไรดี เราก็ไปตามความอยากตรงนั้นใช่ถึงขนาดจัดทงจัดทัวไปรับประธานต่างประเทศเลยก็เยอะค่ะเดี๋ยวนี้อย่างที่สามก็คือต้องยินดีในความในความสงัดเงียบใช่<ม>คือความสงัดเงียบเป็นสิ่งที่ยินดีได้ยากนะอย่างเช่นว่าสมมติเราเรานั่งอยู่ในโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยคุยกับเพื่อนนั่งนั่งกับเพื่อนสามสี่คนใช่ไหมแล้วเงียบกันไปหมดเนี่ยเขาก็มีสาวที่ว่าเด็ด <Dead Air S 1> แอร์เดดแอร์ก็คือทำไมเงียบกันหมดอ่ะมันเกิดเรื่องอะไรกขึ้นหรือเปล่าบรรยากาศมาคุกอะไรเงี้ย <C> e แต่นี่แหละคือเราควรจะยินดีในความสงัดเงียบ <C> e แม่จะทําจิตให้ยินดีตรงนี้ได้เนี่ยต้องอาศัยพลังใจนะค่ะ <C> e และที่ท่านบอกไม่ละคนด้วยหมูเ อ, อยินดีในการไม่ไมยินดีกัครครุกคลีกันใช่ใ<ๆ>ไม่ละคนด้วยหมูเนี่ย น, นะคะอ่าไม่ยินดีในการครุกคลีกันก็คือมาวัดหลีกเล้นแล้วแต่ก็ยังไปหากันที่กุฏิอืมอ่านี่ก็คืออย่าไปยินดีในการคุกคลีกันบางทีเขานั่งอยู่ตรงนั้นก็ไปนั่งกับเขาด้วยค่นมันคุกคลีกันอ่ะอย่าไปอย่างนั้น อย่างนั้นนี่ไปวัดแล้วทีนี้ถ้าในโลกปกติอะค่ะการพบปะเจอเจอคนน้อยลงเนี่ยมันมีประโยชน์หรือว่าไม่ดีหรอกเดี๋ยวเราตกสังคม ค, คือคือมันมันอยู่ที่เวลานะคุณโยมถิ๋วการการที่เราทํางานทางโลกแน่นอนบางทีการรู้จักคนการติดต่อสื่อสารอันนี้มีประโยชน์แต่นนในขณะเดียวกันถ้าจิตของคุณแตกวะวะไปในการทําอย่างนั้นก็ต้องรักษาจิตสําคัญก่อน พอ ร, รักษาจิตสําคัญได้แล้ว ร, รักษาเรื่องสําคัญคือจิตของเราได้แล้วเราจะไปติดต่อสื่อสารเนี่ยมันก็มีคเครื่องมือพร้อมในการที่จะรับมือได้ค่ะก็สรุปแล้วก็คือว่าท่านต้องหาความพอดีแห่งตัวท่านเองอันนี้ตัวเราเท่านั้นเองที่จะบอกได้นะคะคือผลเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการที่ทําอย่างไรท่านถึงจะสามารถมีสติได้ไวในทุกๆเรื่องใช่แต่วิธีการกับเหตุปัจจัยนี่ต้องไปพิจารณากันเองว่าแต่ละคนเนี่ยต้องแก้ที่เหตุใด แล้วก็เราตอนนี้เราเรู้ด้ทันทีเลยน ะ, ะ ว, ว่าถ้าเรารับข้อมูลข่าวสารติดต่อคนนั้นคนนี้คนนี้เขาด่าเราเราก็จี๊ดคนนี้เขาชมเราเราก็เหลืองขึ้นแสดงว่าแหมจิตใจเราไม่ค่อยดีเท่าไหรค่คนะมันเหมือนคนบ้า น, นะที่แบบเขาบังคับเราได้อ่ะค่ะเขาบังคับเราด้วยคําพูดได้อย่างเงี้ยค<ต>่ะแต่ดิฉันตั้งข้อสังเกตนะคะสําหรับตัวเองเนี่ยก็คิดว่าหาข้อสรุปที่เป็นทางออกให้กับตัวเองอาจจะเกิดประโยชน์กับท่านทั้งหลายบางคนได้บ้างก็ได้ว่าอสังเกตว่า ถ้าเรื่องไหนมีตัวเราเข้าไปใส่แล้วว่าเป็นเรื่องของเราเมันจีบง่ายที่สุดอันนี้เป็นหลักเลยนะคะแ น, <อ>น่นอนเลยเใพราะเรื่องเกี่ยวกับเราปุ๊บเนี่ยมันจิ๊บจาจิจ๊บ จ, จก็เลยคิดว่าถ้าไม่คิดว่าเป็นเราเราจะง่ายขึ้นเยอะค่ะอันนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเอาไว้นะในตอนนั้นอยู่ที่วัดเชตาวันนี่แหละแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนเขาเอาขนใบไม้หญ้ากิ่งไม้เนี่ยในวัดเอาไปเผาเอาไปทิ้งหรือว่าขนออกไปเนี่ย เราจะไปรู้สึกว่าแบบจะรู้สึกยินดียินร้ายในพวกกิ่งไม้ใบไม้พวกนั้นหรือไม่ค่ะแต่พระสงฆ์ก็ตอบว่าเออจะไปรู้สึกได้ไงพระพระุทเจ้าก็ถามว่าทําไมล่ะเอา้าก็เพราะความรู้สึกว่าตัวตนของตนในพวกของคาบรงคเนี่ยไม่มีในพวกใบไม้กิ่งไม้ น, นั้นค่ะไม่รู้สึก ว, ว่ามันเป็นของเราแต่ถ้าเขาขนตัวเราออกไปทิ้งเนี่ยเขาเผาตัวเราเนี่ยเอ้ยมันไม่ได้นะเพราะว่านี่เป็นตัวเราค่ะอ่าตรงนี้แหละที่ประเด็นที่ว่าคุณโยมติว่านะคะอันนี้ก็ เพียงพอพอสมควรทีเดียวที่จะต้องอยู่ด้วยทุกอย่างยังมีอีกหนึ่งคำถามะคะ่ะท่างคะเรื่องคนละเรื่องเลยนะคะแต่ว่าเห็นถามเข้ามาแล้วดิฉันไม่อยากตอบช้าเผื่อคอยคำตอบอยูอ่บอกว่าการมีครอบครัวมีสามีดีมีลูกดีชีวิตก็มีกำลังใจแต่พอวันหนึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงทําใจรับไม่ได้จนเกิดความเครียดต้องนำธรรมะใดมาใช้คะ่ะมันตั้งแต่ตอนที่เรามีความ ความดีความงามในชีวิตแล้วนต่เพราะว่าตอนที่เรามีความดีความงามในชีวิตสามีดีลูกดีชีวิตดีไอ้คําว่ามีกําลังใจเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นนะเราจะต้องไม่คิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราการที่เราจะไม่คิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราได้เราจะต้องเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่เราเห็น so สิ่งท<ๆ>ี่เกิดขึ้นที่ดีกับเราเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราจะไม่ยินดีในสิ่งนั้นพอไม่ยินดีแล้วเวลามันเสียไปเราจะไม่รู้สึกเครียด ไอตอนที่เรารู้สึกเครียดแสดงว่าเราเพลินเรายินดีในสิ่งที่มีความสุขตรงนั้นมาก่อนแล้วแต่มันจึงช้าไปนิดหนึ่งทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกเครียดแล้วเราจะแก้ยังไงนะทางออกที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทํานำะคือคือถ้าทําแล้วมันจะไม่ดีนะก็คือไปหาความสุขในทางกลางนะกินเหล้าเมาเบียร์คุยกับเพื่อนแล้วจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากทางตาทา ง, ทางหู คิดว่ามัจะระ ง, งับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้แต่ไอ้เจ้าความสุขทางการนั้นกลับนําความทุกข์อย่างอื่นมาให้เพิ่มเติมอีกแล้ <Okay. S 1> ก็ต้องมาความสุขทางใจแตนแตความสุขทางใจที่จะมีขึ้นได้ก็การปฏิบัติธรรมอันนี้ช่วยได้ <Okay. S 1> การที่เราจะทําตั้งสติให้ขึ้นได้บางทีถ้ากระทบแรงมากเนี่ยจะมารู้ลมหายใจนี่มันก็เป็นเรื่องยากนะคุณยมเติยว <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปลี่ยนห่วงความคิดให้เราไปคิดเรื่องอื่นอาจจะหาเรื่องอื่นทํา นะเรื่องเช่นว่าไปทำปํำเป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแตนะ่ถ้ามันเป็นพรนะที่มากระทบแรงมากเนะี่ยบางคนญาติตายหรือบางคนคนรักที่เราคบมาด้วยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะย่างอื่นอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องไปหากิจกรรมอื่นทำเพื่อที่จะให้เปลี่ยนห่วงความคิดนะพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเอามาใคร่ครวนดูให้ดีนะตั้งสติขึ้นให้ได้โดยใช้หลักการต่างๆเช่นการเจริญเมตตาเป็นต้นนะการที่ ระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในในคําตาาของคุณก้อยนี่ก็คือว่าเราจะคลายความเครียดได้นะก็ด้วยการที่ให้ทําสมาธิะ จ, จะทําสมาธิบางคนอาจจะยังทําไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนห่วงความคิดไปก่อนนะคะวิธีคิดของท่านก็คือบอกว่าเราต้องคิดตั้งแต่ที่มันยังคิดว่าเที่ยงอยู่เนี่ยว่ามันไม่เที่ยง ใ, ให้เห็นความจริงให้ได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังมีความสุขอยู่ค่ะอะอย่างนี้ได้ไหมคะสมมุตินะคะ อยู่ดีๆอยู่เลยเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้นะวันหนึ่งเกิดปุ๊บปั๊ บ, บคนนั้นตายคนนี้ตายคนนี้เจ็บไข้คือดิฉันมีตัวอย่างคนวัดเลยนะคะอ่ะเป็นหมายถึงว่าเป็นผู้ศรัทธาอ่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดเผยแผ่ธรรมะอย่างยิ่งยวดเนี่ยจูุก็หายหน้าไปเราก็ไปเจอในโซเชียลเน็ตเวิร์เหมือนกันนะคะพึ่งทราบว่าเป็นสามีพัญญาที่เกษียณแล้ว แล้วก็เป็นคนมีฐานะมั่นคงมีลูกอยู่คนเดียวลูกชายนะคะก็ตั้งใจจะให้ลูกชายซึ่งถ้าทางจะเก่งแล้วดีด้วยเพราะช่วยคุณพ่อคุณแม่เผยแผ่ธรรมะอยู่เนี่ยได้รับสืบทอดงานการที่มีลูกน้องประมาณส0มสิบสี่สิบคนเนะะี่ยค่ะลูกเกิดป่วยกระทันหันและเป็นโรคร้ายแรงมากมชนิดที่ว่าอาการมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะต้องทใจอย่างเดียวโห เ, เขาเขียนมาพูดถึงว่าโชคดีที่ได้ รู้จักกับพระพุทธเจ้าก่อนเกิดเหตุการณ์นี้อือก็จึงมีสติอยู่กับสิ่งนั้นได้ด้วยการเอาธรรมะข้อนั้นข้อนี้มาใช่ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นมันจะมีสองส่วนปนปนกันอยู่ตรงนี้แบบแรกก็คือความรู้สึกสลดสังเวชกับความรู้สึกร่ําให้คล่ําครวนัคือบางคนที่มีความรู้สึกสลดสังเวชแล้วก็สามารถอดกลั้นนะอดกลั้นไอ้ความที่มันจะร่ำไห้คล่ําครวนทุบกชกตัวได้อันนี้คือแสดงว่าคุณยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ แ ต, แต่มันมีความรู้สึกสลดสังเวชนะในอีกลักษณะหนึ่งนะซึ่งมันจะไม่ไม่เหมือนกันสองอย่างก็คือการริ่มให้คลัําครวญมีสติคลั่งเพลออันนี้ก็อถือว่าแตกและจิตแตกแต่ถ้าเรายังพอระ ง, งับได้อดทนได้แต่มีความรู้สึกสลดสังเวชอันนั้นเป็นสิ่ง ท, ที่ดีเพราะว่าอันนั้นเป็นธรรมะเป็นการปลงสังเวชได้เหมือนกันค่ะเพราะนั้นเนี่ยโดยฉันว่าตัวอย่างชีวิตของคนอื่นบางทีเราก็ต้องมองในด้านที่ ตัวอย่างที่น่ากลัวเอามาเป็นตัวอย่างของเราเหมือนกันนะคะใช่ใช่เพราะว่าบางครั้งเหตุการณ์ที่นึกไม่ถึงเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอเวลาจินตนาการต่อไปนี่มันเลวร้ายจริงๆนะคะแต่มันบางครั้งมันก็ต้องบอกมันอาจเกิดขึ้นก็ได้อืมเป็นความจริงที่ไม่น่าพอใจละ่ะค่ะอซึ่งอันนี้เป็นภัยที่พระพุทธเจาตเตือนเอาไว้ว่ามาแน่นอนะภายในอนาคตมาแน่นอนค่ะนั่นก็ต้องทําทําความเข้าใจ อย่างที่ท่านไผบูรณ์พูดนะคะนึกถึงแง่ดีแล้วอย่าลืมนึกถึงแง่ไม่ดีของเขาด้วยอ่าผ่านเพราะแง่ไม่ดีน่าจะทําให้เราทําใจได้ง่ายมากกว่าถูกต้องจะเห็นความไม่เที่ยงของมันได้ค no ่ะอย่าก็หวังว่าคุณก้อยคงจะสามารถที่จะผ่านพ้นความเครียดจากสาเหตุของปัญหาทั้งหลายได้อย่างดีด้วยธรรมะของพระพุทธองค์นะคะค่ะเราขึ้นต้นด้วยเรื่องของวันเฉลิมพระชนพรรษา ยังคิดว่าวันนี้เราก็พูดแต่ในสิ่งที่สามารถนําไปปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์เกิดเป็นกุศลนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวในจะแผ่ไปถึงร่วนส่วนเรื่องส่วนรวมอย่างเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ได้ประโยชน์แน่นอนสุดท้ายนี้ท่านคะท่านจะพูดอะไรอีกสักหน่อยไหมคะสำหรับโอกาสวันสําคัญของชาติวันนี้ค่ะเราอย่าให้ทุกท่านมีความสามัคคีกัน ค, ความสามัคคีกันเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตใจของเราท่านนั่นเองในใจของเราถ้าเป็นจิตใจที่อ่อนเหมาะและมองกันด้วยสายตาขอางคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ แต่ไม่ว่าจะมีความเห็นต่างกันสีผิวต่างกันเพศต่างกันในเรามองกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ได้หนอะไรที่มันจะเพาอลุ่มอร่วยกันก็ช่วยกันแก้ไขกันไปนะเพราะว่าจิตใจแบบนี้เป็นจิตใจที่เย็นเป็นจิตใจที่จะมีทางออกเป็นจิตใจที่จะสูงเป็นจิตใจที่จะนําเป็นบุญเป็นกุศลมาให้เราในโอกาสตรงนี้เราตั้งจิตเอาไว้อย่างนี้เลยเตือนช้ามาวันนี้ฉันจะมีจิตใจที่เป็นเมตตามองกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ให้ทาไปตลอดฝึกจิตของเราให้เป็นอย่างนี้ อันนี้ดีแน่นอนค่ะเขาก็แผ่ไปให้เสมอกันทั่วทุกทิศทุกทางใช่นะคะเล้งคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะทุกวันนี้เลังก็พยายามทํานะคะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่แผ่กว้างขวางแต่ตอนนี้พอทําแล้วก็รู้สึกก็ดีนะคะสบายใจค่ะอืมค่ะก็ควรแก่เวลากราบนมหัศการขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะอย่าบ ต้นฝั่งที่คารพค่ะแล้วนั่นก็คือพระมหาภบยบุญอภิปุณโวทปารดอนไฮโซอุดรธานีและนี่ก็คือดิฉันสรนสนีนาคพงรายการสันสนีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเราตั้งใจกันทําความดีถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้ประโยชน์กับคนรอบข้างกับตัวของเราเองกันค่ะพบกันใหม่ในรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ f m ฟเอรนะคะสันสนีสนทนาลาไปแต่เพียงเท่านี้พุทธสวัสดีค่ะ